พระเจ้าบรมโมวงเธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีพระบรมโมวงสานุวงชั้นพระองค์เจ้าที่มีพระชนมายุสูงสุดในราชวงศ์จักรีประสูนย์เมื่อวันพุธเดือนแปดแรมสิบอ็ดค่ำปีฉลูตรงกับวันที่19ก้ากรกฎาคมปีพุทธศักราช2 4งพเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่เจสิบห้าในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและที่สองของเจ้าจอมเชื้อสายลาว คือเจ้าจอมมารดาดวงคำหรือเจ้านางหนูมานหรือหนูมันแห่งเวียงจันเป็นพระธิดาในเจ้าคลีและทรงเป็นหลานปู่ของเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์แห่งอาณาจักรหลานช้างเบียงจันพระองค์สุดท้ายแต่เป็นหลานตาของเจ้าอุปราชด้ว ย, เ, วยเมื่อเจ้าอนุวงศ์ก่อการวุ่นวายขึ้นในรัชกาลที่สเจ้าอุปราชไม่ร่วมด้วยเจ้าคลีพระบิดาได้พาครอบครัวเข้ามาพึ่งพระบรมมหาราชวังอยู่ในกรุงเทพมหานคร เจ้านางหนูมานจึงเกิดที่กรุงเทพมหานครมีพระเชษฐาคนหนึ่งคือเจ้าพรมเทวานุเคราะห์วง์อยู่เมืองอุบลราชธานีต่อมาเจ้าจอมมารดาถวายตัวเป็นพระสนมในรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จ พ, พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่าดวงคําเล่าลือกันว่าผิวเนื้อนวลมีพระองค์เจ้าสองพระองค์คือพระองค์เจ้านารีรัตนาและพระองค์เจ้าประดิษฐาสารี ซึ่งพระบรมชนกนาศมีพระราชดํารัสเรียกว่าลูกลาวน้อยพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีมีเพียงเรื่องเดียวซึ่งมีการอ้างถึงอยู่บ่อยครั้งเมื่อพูดถึงประเทศลาวหรือพระราชธรรมเนียมลาวซึ่งเป็นพระนิพนธ์ที่เป็นลายพระหัตถ์เท่านั้นนอกจากนี้ยังทรงให้อุปการะเลี้ยงดูเชือพระวงศ์หลายพระองค์เช่นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมหลวงวชิรญาณนวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่13แห่งกรุงรัตนโกสินทร์หม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์เมื่อทรงพระเยาว์ทรงศึกษาอักษรสมัยที่วังพระชนกโดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีเป็นผู้อุปการราเลี้ยงดูพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวีขณะยังทรงพระเยาว์พระบิดาได้ถวายให้อยู่ในความอุปการะของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีซึ่งเป็นพระปิตุฉาเป็นต้น ถืนวันล่วงเลยมาจนกระทั่งต้นรัชกาลปัจจุบันพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าหญิงประดิษฐาสารีทรงเป็นพระบรมวงศสานุวงฝ่ายในที่มีพระอาวุโสสูงสุดเป็นลำดับที่สามรองจากสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าและพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าหญิงนภาพรประภากรมหลวงทิพยรัตนากิริสกุลินีตามโบราณราชประเพณีเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในรัชกาลใด พระบรมมงวงสานุวงภายในที่มีพระอาวุโสสูงสุดสองพระองค์จะทรงจัดพระที่ในห้องพระบรรทมและกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลนั้นในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณีนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในรัชกาลที่9้าเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2493 พระเจ้าบรมมวงเธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีและพระเจ้าบรมมวงเธอพระองค์เจ้าณพาพรประภาในฐานะที่เป็นพระบรมมวงสานุวงฝ่ายในที่มีพระอาวุโสสูงสุดทรงเป็นผู้ลาพระที่ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในคราวนั้นด้วยพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารี ทรงดำรงพระชนที่เป็นองค์สุดท้ายและมีพระชนมายุมากที่สุดในจํานวนพระราชโอรสพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และเป็นพระบรมวงศสานุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปที่พระชนมายุยืนที่สุดในพระราชวงศ์จักรีโดยมีพระชนมายุยืนยาวถึง6แผ่นดินตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 มาจนถึงรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีสิ้นพระชนในรัชกาลที่9เมื่อวันที่18มีนาคมปีขาลปีพุทธศักราช2505พระชันสา96ปี5เดือน29วันนับเป็นพระบรมงวงสานุงวงชันพระองค์เจ้าขึ้นไปที่มีพระชนมายุยาวที่สุดในพระบรมราชจักรีวง พระศบประดิษฐานหหอนิเพศพิทยาในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงพระศพนวัดเทพศิรินทราวาสเมื่อวันที่12กรกฎาคมปีพุทธศักราช2505ในโอกาสนี้สมเด็จเจ้าฟ้าวงศ์สว่างมกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์กษัตริย์ลาว ทรงรวมพระราชาพิธีดังกล่าวด้วย